บทที่18หายนะคืนนั้นพระรหัสแน่ใจว่าตนเองเป็นเอามากเขานอนพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายทำอย่างไรก็ไม่อาจลืมดวงหน้าบาดตาบาดใจของสาวน้อยคนนั้นได้ที่ทำให้รู้สึกย่ำแยก่กว่าอะไรคือต้องยอมรับความจริงว่าเธอคนนั้นเดินควงกับเจ้าเพื่อนยากที่เขาสอนจีบหญิงมากับมือทำไมปล่อยให้ลูกศิษย์มีดีกว่าครูไปได้วะเนี่ยเนื้อสิ่งอื่นใด ใจกระโดดโลดเต้นเป็นจังหวะประหลาดอย่างไม่เคยมีมาก่อนคือเฝ้าย้ำคิดย้ำนึกว่าคนนี้เองเนื้อคู่ของเขาเขาพบแล้วเธอเป็นตัวจริงไม่มีหญิงอื่นใดที่น่าปรารถนาไปกว่านี้อีกพฤหัสรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลความรู้สึกหนักแน่นเป็นจริงเป็นจังบุเพยสันวาดดูมีตัวตนชัดเจนซจนความรักความหลงหญิงอื่น กลายเป็นแค่ความฝันขมุกขมัวสลัวรางเคยแต่เหนียวนำให้สาวๆงมงายหัวปกหัวปำเชื่อว่าเขาคือเนื้อคู่แต่ปางก่อนฉะไหนจึงพราท่ามาโดนเองเข้าได้แม้พยายามบอกตอนเองแล้วแล้วเล่าๆ ว, ว, ว่านี่คืออุปทานนี่คือการคิดไปเองนี่คือความเหลวไหลหลอกลวงของใจมนุษย์ส่วนลึกก็ค้านมาอย่างแรง ถ้าแค่อุปทานทำไมมันหน้า ม, มืดและจุกเสียดแน่นอกเหมือนจะขาดใจตายป่านนี้ไม่เคยเลยที่เพิ่งเจอครั้งแรกก็หึงหวงปวดแสบปวดร้อนราวกับไฟลุกท่วมตัวเพียงเมื่อเห็นเจ้าหล่อนเดินอยู่กับใครอื่นกัดริมฝีปากแน่นต้องทำอะไรสักอย่างก่อนจะวายปราด้วยแรงสเสนหาเกินประมาณนั้นฮัลโหลเลิกหรอเออเสียงงัวงเงียตอบกลับมาด้วยความขุนเคือง เป็นบ้าอะไรโทรมาป่านนี้หมาที่ไหนถูกรถทับหรือเพื่อหัดหัวเราะค่อยคลายอาการเสียดแน่นลงบ้างฮ่าฮโทษทีกูนึกว่ามึงยังไม่นอนมีอะไรด่วนหรือเปล่าไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันได้ไหมกูเพลียเฮ้ยคุยกันหน่อยนะาแบบว่าเมื่อกี้เพิ่งเข้าเน็ตเจอรูปน่าจะเป็นคนเดียวกับเด็กที่มึงควงไปเดินห้างวันนี้ เพื่อหัดไม่นึกเลยว่าคำพูดปั้นน้ำเป็นตัวนั้นจะบังเอิญเป็นหมัดฮุกที่หนักหน่วงยิ่งเพราะสัมผัสได้ชัดว่าจองเลิกตาตื่นทันทีฮะจริงเหรอที่ไหนวะไม่รู้นะปิดเครื่องไปแล้วนี่กําลังจะเตรียมนอนแบบว่าเป็นลิงของลิงที่ฟอร์เวิร์ดมาทางเมลนะ่ะช่วยเปิดเครื่องอีกทีได้ไหมบอกให้กูรู้หน่อยเอ๊ะสคัญยังไงนักหนาหรือเขาเพิ่งถูกแกล้งมานะ่ะ สงสัยจะมีหลงเหลือหรือแพร่กระจายไปไหนต่อไหนเพื่อหัดยิ้มเพลเมื่อตระหนักว่ามุกของตนกลายเป็นลูกฟลุกที่ปลุกเร้าให้จองเริกกระตือรือร้อนเต็มพิกัดมึงเคยบอกชื่อเด็กมึงมาทีหนึ่งอะไรนะกูลืมแล้วซายเออใช่ๆช่หน้าตาใช้ได้นี่วะชื่อจริงชื่ออะไรจะซักไปทำไมโหมีเมมด้วยเพื่อนเราท่าทางหวงหน้าดูเด็กคนแรกก็อย่างนี้แหละ แล้วผูรหัสก็สร้างเรื่องขึ้นในหัวอย่างรวดเร็วคือกูว่ากูคุค้นๆนะดูเหมือนเคยเป็นเด็กเพื่อนกูมาก่อนพูดเต็มปากเต็มคำโดยไม่มีความละอายใดๆแม้แต่น้อยเรื่องตอหลดตอแหลฉับพลันทันสถานการณ์นั้นช่่ำชองมานานปีอยู่แล้วงั้นหรือพู้รหัสสัมผัสได้ทีเดียวว่าจองเลิกเสียวแปรไปทั้งหัวใจยิ้มสะใจที่ได้ลงโทษคนมีหญิงสวยเกินหน้าเกินตาเพื่อนไอ้เจ้านี่ไม่เคยมีแฟน หัวใจเวอร์จินจึงเต็มไปด้วยจุดอ่อนโดนกระแทกตรงไหนก็เป๋ได้หมดกูไม่แน่ใจนะบอกแล้วว่าแค่คุ้นๆเพื่อนจอมโฉดวางหมากอย่างมีชั้นเชิงแต่ถ้าใช่ก็ทิ้งหางเสียงอย่างรู้ว่าจองเริกจะต้องกระวนกระวายราวไฟเผาถ้าใช่ก็ทำไมช่างเถอะทําเสียงโปรงๆแล้วทาทีเปลี่ยนเรื่องมึงไม่อยู่เสียอาทิตย์หนึ่งรู้ไหมว่าตอย จองเลิกทำเสียงเข้มก่อนเพื่อนจะทันจบประโยคบอกกูมาถ้าใช่คนที่เป็นแฟนเก่าเพื่อนมึงแล้วทำไมเออก็เอางี้เพื่อความชัวกูจะได้ไม่ต้องพูดพร่อยๆเขามีพี่สาวหรือน้องสาวอยู่คนหนึ่งใช่ไหมเวียงแห้ส่งเดทแต่ดันถูกแพงอีกครั้งใช่สายมีพี่สาวคนหนึ่งคราวนี้มึงบอกกูได้แล้วว่าเรื่องเป็นยังไงเฮ้ย อาจจะบังเอิญก็ได้ใครๆมันก็มีพี่สาวน้องสาวกันทั้งนั้นแหละเอางี้ดีกว่าถ้าอยากให้ชัวร์นัดสองสาวเล่นแบดกันสิวะดูชัดๆจะได้รู้แน่ๆจองเิกเริ่มคลายกังวลเขาไม่เซอร์ขนาดตามคนเจ้าเล่ไม่ทันไอ้เลวอาจเพื่อนด้วยเสียงหนักๆมึงจะพูดตรงไปตรงมาไม่ได้หรือไงก็แค่ถามว่ามีพี่สาวน้องสาวเพื่อให้มึงสีไหมเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้ว ต้องอ้อมค้อมไม่เข้าท่าอยู่ได้เพื่อหัสหน้าชารู้สึกบอ่อท่าหรือประมาณที่หล่อระดับชาติอย่างเขาต้องเสียฟอร์มต้องเป็นฝ่ายร้องขอนายกระจอกอย่างจองเลิกช่วยจัดหาผู้หญิงให้แต่แล้วก็ขบฟันกล้ำกลืนความขมขื่นลงอกรีบหาคําพูดแก้หน้ากูไม่มีฟอร์มกับมือหรอกเขาเรียกอรังพบทเอออรังพบทได้บัตรซบจริงๆเกือบทําให้ผู้หญิงเขาเสียหาย ว่าแต่เรื่องรูปที่เจอในเนนะ็ตน่ะจริงหรือเปล่ากูจะได้จัดการอะไรหน่อยอ้อเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาไปแล้วหน้าอิจฉาจริงพูดเหมือนเล่นแต่ที่แท้กำลังริษยาตาร้อนแทบมอดไหมยิ่งคิดยิ่งเห็นความอายุติธรรมที่ชะตาพาจองเลิกไปพบโฉมงามนามว่าทรายก่อนเขารู้สึกเหมือนตัวรีบเล็กและกระจกลงอย่างหน้าอดสูเมื่อต้องมาริษยาเพื่อน ผู้ไม่มีทางสู้เขาได้เลยในเรื่องรูปสมบัติถามจริงๆต่อยมึงเห็นรูปเขาที่ไหนหรือเปล่ากูจําเป็นต้องรู้เพราะอาจมีคนแกล้งไม่เลิกข้อแค่คล้ายๆแต่รู้สึกว่าคงไม่ใช่หรอกตอบแบบกลบเกลื่อนแก้เกอ้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝ่ายถามบ้างว่าแต่ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับรูปของซรายบนเน็ตหรือวินาทีที่ชื่อซายผ่านปากออกไปเพื่อหัดเสียวปราบกลางอก เรากับโดนใครแกล้งเอาน้ำกุหลาบสวยหวานมาแทงแล้วลากเป็นทางยาวไม่เข้าใจตัวเองจริงๆนี่เป็นอะไรไปก็จองเลิกเล่าเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องหน้าปกปิดมียายเบื้อคนหนึ่งเกิดอยากลิมรสความเป็นดาวอยากให้หนุ่มๆมารุมตอมเลยแอบถ่ายรูปทรายไปโพสบนเว็บติดลม .com แล้วสวมรอยว่าเป็นตัวเองแถมพูดจายั่วโยวนต่างๆนาๆนามีเรื่องอย่างนี้ด้วย เพื่อหัดสะกดความอายอยู่ครู่ก่อนเอ่ยขอมึงเก็บรูปชุดนั้นไว้มั่งหรือเปล่ากูขอดูหน่อยดิพยายามพูดเสียงเรียบเหมือนขอกันดูตามธรรมดาวิสัยเพื่อนชายด้วยกันแต่ด้วยเพราะใจไม่รู้สึกธรรมดาสำเนียงเสียงจึงออกหนีบหนีบแบบกระดาษจอ้องเลือกหัวเราะหึ่คร้าวก่อนกูขอรูปที่มึงแอบถ่ายหญิงมาดูมึงก็ขี้เหนียวเหลือเกินตากูมั่งละเรื่องอะไรจะให้อ้าว รูป น, นั้นมันลับเฉพาะนี่โว้ยมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงของมึงแค่เห็นหน้าเห็นตาเฉยๆอย่านึกว่ากูไม่รู้มึงปิ๊งสายอยู่ใช่ไหมล่ะถามเอาตรงๆแบบขวานผ่าซากเพราะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครจะตกหลุมรักน้เลและจองเลิกก็ได้ทีขี่แพรไล่เพื่อนผู้เคยถากถางเขาต่างๆนาน า, นาในเรื่องความไม่เอาไหนเกี่ยวกับผู้หญิงเออสิวะเพื่อหัสยืดอกรับอย่างลูกผู้ชาย ยอมรับแล้วจะว่าไงรูปนะจะให้หรือไม่ให้ไม่ให้เพระหัสถึงกับขมวดคิ้วด้วยความฉุนจัดแต่ก็ระงับอารมณ์ไว้เค้นเสียงอาฆาตเล่นๆจำไว้เลยเดี๋ยวกูแอบถ่ายเอาเองก็ได้ว่าแล้วเขาก็เบี่ยงประเด็นว่าแต่พี่สาวเขานะ่ะมึงเคยเห็นหรือเปล่าเคยตอนไปบ้านซายครั้งแรกถือโอกาสโอไปในตัวว่าเขาเข้าถึงบ้านนางมาแล้ว มึงจะลองทาบจริงๆเหรอสวยพอกันไหมล่ะจองเลิกทบทวนจากความจำคราวนั้นรอองฝนพี่สาวนัชเลกลับมาพร้อมพ่อแม่แต่ก็ผ่านเขาเข้าบ้านโดยที่เขาไม่ทันเห็นถนัดนักจำได้แต่ครั้งยังเด็กที่เคยเห็นเดินคู่กับนัชเลบ้างประปรายถือว่าทั้งสองเป็นพี่น้องที่ไม่คล้ายกันเท่าใดจึงตัดสินใจตอบแบบเลี่ยงมึงชนานาญกว่ากูเพราะงั้นมึงต้องดูเอาเองถึงจะถูก เอาแค่เทียบกันว่าใครเจ็มกว่าใครต้องอาศัยความชำนานด้วยหรอลางเนื้อชอบลางยากูไม่กล้าเอาสายตาตัวเองไปตัดสินแทนผู้ชำนาญการเพื่อหัดอดหัวเราะไม่ได้กับคำพูดย้อนเกล็ดเหน็บแนมนั้นเพราะตนเคยสุด ป, ประมาทอย่างเปิดเผยมาตลอดว่าจองเลิกอ่อนหัดตาไม่ถึงแยกไม่ออกว่าชั้นไหนเป็นชั้นไหนกูยอมรับว่ามึงแน่ สาวคนแรกเปล่งประกายแสบตาซะจริงๆตอนนี้บารมีเลื่อนระดับจากไก่อ่อนเป็นไก่แจ้แล้วเพราะฉะนั้นคำตัดสินนับว่าเชื่อถือได้ไก่จ้องไก่แจ้อะไรกูวาดลวดลายเจ้าชู้เก่งกับใครเป็นก็แค่โชคดีสบช่องเข้าถึงตัวง่ายหน่อยเพราะรู้จักกันมาแต่เด็กไม่งั้นป่านนี้คงแง น, น้ามองกระสวยอาบอากาศตาค้างนอนไม่หลับกระสับกระสาย เพื่อหัดสะดุ้งเหมือนเหยียบเศษแก้วเพราะรู้ชัดว่าเพื่อนแกล้งพูดแทงใจดำโชคมึงดีฝีมือมึงแน่กัดฟันชมเชยเสียงยานคางพรางคิดในใจว่าฝากไว้ก่อนเธอมึงเป็นความร่วมมือของฝ่ายหญิงตบมือข้างเดียวไม่ดังเตือนๆไว้ก่อนนาะเพื่อหัดหาช่องขู่แบบที่เล่นทีจริงกูเห็นแวบๆบแบบแต่รู้สึกว่ากระแสะตาคุณเธอเตะใจแรงพิลึกเท่าที่เคยเจอมาเนี่ย ชาตาคมแบบดุอมหวานสะกดให้ลืมได้ไม่ลงอย่างนี้นะรายไหนรายนั้นเบื้องหลังต้องมีความไร้เหตุผลและความเอาแต่ใจตัวเองอย่างวายวอดเตรียมรับมือดีๆเถอะตอนคุณเธอโวยขึ้นมาแล้วจะหนาวจ้องเรื่องหัวรอยยศทรายน่าเหลอไร้เหตุผลเอาแต่ใจตัวคำเดียวที่มึงพูดผิดนี่เผาผ้าผู้เชี่ยวชาญหญิงของมึงได้เลยนะโวยเฮเธอฟังแล้วหมดศรัทธาวะ นึกว่ารู้จริงเรื่องหญิงขนาดไหนจะบอกให้ว่ากูเคยเห็นกับตาคนทำร้ายเขากี่คนต่อกี่คนมีแต่อภัยไม่ร้ายตอบเลยสักครั้งพฤหัสสะอึกฟังออกว่าเพื่อนหนุ่มเห็นอะไรมากกว่าตนไปหลายก้าวจึงรีบเปลี่ยนเรื่องหันมาคาดคันแทนเอาละสรุปว่ามึงสัญญาจะพาสองสาวไปเล่นแบดกับพวกเรานะเขาไม่ชอบเล่นแบดแล้วชอบเล่นอะไรเล่นกับหมา พูดจริงๆเขาเลี้ยงหมาน่ารักไว้ตัวหนึ่งแกะออกมาลำบากมากแต่เอาเถอะเพื่อมึงกูจะลองพยายามชวนจองเลิกรู้แก่ใจว่าตนก็อยากอดแฟนสวยให้เพื่อนอิจฉาเล่นเหมือนกันเป็นลูกไล่มานานเพิ่งขยับขึ้นเป็นต่อก็อคราวนี้เองขอบใจโว้ยเสาร์หรืออาทิตย์นี้เลยเป็นไงเพื่อหัดเร่งเร้าด้วยประกายตามาตหมายและเชื่อมั่นอยู่ในเงามืด นี่เขาโทรหาเพื่อนโดยไม่เปิดไฟให้เกิดแสงสว่างใดๆเสียก่อนด้วยซ้ำจองเริกยอมขาดเรียนอีกหนึ่งวันเขาเดินทางไปรับโทรศัพท์มือถือที่ส่งซ่อมไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนแต่ความจริงตั้งใจจะไปสืบถามข่าวคร า, าวคนฆ่าตัวตายเป็นหลักโดยเชื่อแน่ว่าต้องเป็นข่าวใหญ่สำหรับคนทั้งตึกเริ่มถามจากคนในบริษัทมือถือก่อนหลายคนทราบว่ามีคนโดดตึกก็จริงแต่เหมือนจะไม่มีใครทราบเลยว่าผู้ตายชื่ออะไร มีเหตุจูงใจอันใดหรือแม้กระทั่งเป็นพนักงานของบริษัทไหนในอาคารเด็กหนุ่มโปรงสองเวศเดี๋ยวนี้การโดดตึกตายจะเป็นเรื่องฮือฮาเพียงสองสามวันต่อจากนั้นทุกคนจะลืมเลือนและไม่พูดถึงอีกไม่มีใครจดจำหรืออยากสืบเสาะทำความรู้จักผู้ตายให้ลึกซึง้งก็แค่ชีวิตหนึ่งจบลงเพราะคิดสั้นอีกหน่อยถ้าถึงยุคที่มีภาพคนร่วงจากตึก ทุกสองชั่วโมงเรากับทิ้งขยะระยะเวลาในการโจดจันคงยิ่งหดสั้นลงไปอีกเช่นอาจถามกันแค่ว่ารู้ไหมเมื่อกี้เพิ่งโดดตึกไปอีกรายฝ่ายฟังก็ยักไหล่ตอบว่าอ๋อรู้แล้วจากนั้นก็คุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศที่อาจจะน่าสนใจกว่ากันความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมยืนรออยู่แถวแถวนั้นในที่สุด เด็กหนุ่มก็ได้ทราบว่าผู้ตายเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งบนชั้นสิบก็จึงรีบรุดขึ้นริบไปที่นั่นในทันทีใจยังหวังอยู่บ้างว่าถ้าหมออุปการะทายผิดเขาจะได้พ้นจากห้วงเหวแห่งความรู้สึกผิดเสียทีบริษัทอนันเป็นเป้าหมายมีชื่อว่า Info m a s t e ตด้านหน้ามีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เด็กหนุ่มไม่รอช้ารีบปาดเข้าไปถามหญิงพนักงานต้อนรับทันทีขอโทษครับ สอบถามหน่อยนะครับหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาค่ะอาทิตย์ก่อนมีคนในบริษัทนี้โดดตึกใช่ไหมครับพนักงานสาวชะงักท่าทีเปลี่ยนไปเล็กน้อยจ้องผู้มาเยือนอย่างสำรวจตรวจตรามากกว่าเดิมคล้ายไม่แน่ใจว่าหล่อนควรให้คำตอบหรือเปล่าเนื่องจากเป็นคำถามแนวสืบสวนชอบกลมีธุระอะไรหรือเปล่าคะคือผมเอออาจจะ คำถามที่ตรเตรียมไว้ล่วงหน้าถูกทําให้สะดุดด้วยท่าทีระแวดระวังของเจ้าหล่อนคนนั้นคนตายอาจจะเกี่ยวข้องกับผมผมเพียงแค่อยากทราบว่ามีญาตินําศพไปบําเพ็ญกุศลที่วัดหรือยังบังเอิญอย่างที่สุดหมัดเหวี่ยงแห่ของเขาจับเปาะเข้าเป้าอย่างจังประชาสัมพันธ์สาวค่อยกระตือรือร้อนและเต็มใจตอบมากขึ้นเป็นญาติกับคุณครองศิษย์หรือคะทางเราพยายามติดต่อกับภรรยาและญาติอยู่หลายวัน แต่เอสุขที่ผ่านมาดูเหมือนภรรยาไปรับศพจากโรงพยาบาลแล้วนี่เมียอาครองเอาศพไปไว้ที่วัดไหนศาลาอะไรหรือครับจองเลิกสวมรอยทันทีเรียกผู้ตายว่าอาเต็มปากเต็มคําวัดใกล้บ้านเขาน่ะคะ่ะเดี๋ยวจะสอบถามให้นะคะขอบคุณครับแล้วพนักงานสาวก็กรุยกรุจอต่อโทรศัพท์ให้ทันทีครู่เดียวก็เงยหน้าขึ้นบอกอยู่ศาลาสองวัดฟ้าใหม่นะคะ แล้วหล่อนก็บอกหลักแหล่งชื่อถนนกับชื่อซอยให้เสร็จสับวันนี้สวดอภิธรรมคืนสุดท้ายพอดีขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วพอทราบสาเหตุหรื อ, อยังว่าทำไมอาครองคิดสั้นเรื่องนี้ดิฉันไม่ทราบนะคะได้ยินว่ามีการทำงานผิดพลาดอะไรสักอย่างลองไปที่วัดแล้วสอบถามใครดูเถอคะ่ะนันทกางุนงงครึ่งกล้าครึ่งกลัวเมื่อลูกชายคนเก่ง ขอให้เป็นงานศพกับเขาในเย็นนั้นจองเลิกนําชุดดํามาให้เปลี่ยนถึงที่ทํางานและวางท่าเงียบขรึมเมื่อหล่อนพยายามไถ่าถามว่าผู้ตายเป็นใครมีความสัมพันธ์กับเขาอย่างไรจําเป็นขนาดไหนต้องให้หล่อนไปเป็นเพื่อนขับรถไปตามทิศทางที่ลูกชายบอกแต่ยิ่งใกล้วัดก็ยิ่งสบัดร้อนสบัดหนาวมากขึ้นทุกทีกระทั่งอดหลนทนไม่ได้ต้องเ อ, อ่ยเสียงสัน่นฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆ แกไม่ใช่เด็กอมมือที่ฉันจะซักไซส์ไล่เลียงตามใจชอบอีกต่อไปแต่อย่างน้อยก็ให้ฉันรู้หน่อยเถอะว่ามันเรื่องอะไรเกี่ยวกับเงินเกือบสิบล้านที่อยู่ในบัญชีฉันหรือเปล่าไอ้ท่าจองหงอยของแกในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยทำให้ฉันปลอดโปร่งกับเงินในมือเลยให้ตายเถอะจองเริกโน้มศีระเกาหน้าผากแผวความตายของเขาไม่เกี่ยวกับเงินในบัญชีหรอกแม่สบายใจได้แล้วแกมางานศพเขาทาไมละ่ะ จู่ๆก็เอาชุดดำมาให้ใส่นึกว่าฉันมีความสุขนักหรอเอาเป็นว่าผมมาเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างผมช่วยแม่ไปตั้งมากแม่จะช่วยผมบ้างไม่ได้หรือทั้งรถตกอยู่ในความเงียบครู่หนึ่งเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนันทกาพึมพำเสียงขรึมฉันเห็นแก่หมกตัวอยู่ในห้องนอนตลอดแต่ที่แท้แกอาจหายตัวไปฉันไม่รู้ว่าไปอยู่โลกไหน รู้แต่แกกลับมาอีกทีพร้อมกับประวัติไม่ดีแน่ๆและ ว, วันนี้แกก็เอาชุดดํามาให้ฉันใส่พร้อมกับพามางานศพโดยไม่มีคําอธิบายอะไรเลยแล้วแม่ล่ะตลนตลนไปสร้างประวัติอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่าประวัติไม่ดีของผมมันล้างหนี้แม่ได้หมดจองรถใหม่ให้คันหนึ่งแล้วเหลือเงินอีกก้อนให้แม่ถลุงได้ตามใจชอบก็แล้วกันแค่นี้ยังไม่ดีพอหรือ ผมไม่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับคนตายเพราะยังไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรรออีกเดี๋ยวเถอะถ้าแน่ใจแล้วผมค่อยพูดและจะขอให้แม่ช่วยจัดการบางอย่างหน่อยยืมมือฉันตลอดกะให้ติดคุกแทนแกหรือไงเด็กหนุ่มเบือนหน้ามองออกนอกหน้าต่างเพื่อซ่อนยิม้มอย่ามองโลกในแง่รนะ้ายหน้าไม่มีใครคิดทุเรศทุเรศอย่างนั้นกับแม่ของตัวเองได้ลงคอรอกผมยังเป็นเด็ก ทำอะไรบางอย่างเกินตัวก็จะเป็นที่สังเกตเลยต้องขอความช่วยเหลือจากแม่บ้างรับรองว่าจะไม่มีเรื่องให้ต้องลุ้นตัวโกงตามหลังมาเป็นอันขาดอย่าดีแต่พูดก็แล้วกันขอให้รู้จริงๆเถอะว่าแกทำอะไรลงไปแล้วมีสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นบ้างที่แรกอัตราอันใหญ่โตเกือบปิดการทำงานของประสาทหูเสียสนิทแต่พอนึกได้ว่างานศพ ซึ่งเขากําลังบึงไปหานี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ไม่เคยคิดว่ามีสิทธิ์เกิดขึ้นจองเริกจึงก้มหน้าสลดช่วงนี้เขาช่างก้มหน้าก้มตาดูพื้นบ่อยเสียจริงๆเดินตามทางมาถึงบอร์ดบอกหมายเลขสาราที่มีชื่อผู้ตายปรากฏอยู่จองเริกเห็นชื่อครองสิทธิ์เลิกราวีที่บรรทัดสาราสองของวันนี้เขาได้แต่จดจาชื่อ และนำสกุลนั้นไว้ในใจเงียบๆศาลาสองมีผู้คนมาร่วมไว้อาลัยร้องเรงทั้งที่สวดเป็นคืนสุดท้ายเมื่อหญิงวัยกลางคนกับเด็กหนุ่มแปลกหน้าเดินเข้ามาในศาลาก็ไม่เป็นจุดสนใจเพราะญาติผู้ตายหลงนึกว่านันทกาเป็นเพื่อนร่วมงานของครองศิส่วนเพื่อนร่วมงานตัวจริงที่นั่งนั่งกันอยู่ก่อนหน้าก็เข้าใจว่าหล่อนเป็นญาติของผู้ตาย ยกมือไหว้และรับไหว้ทักทายภรยาผู้ตายตรงประตูกระจกทีเดียวสองแม่ลูกก็เดินหาที่นั่งกันเอาเองโดยไม่มีใครนำพานันทกาเดินแก่ๆกังๆอย่างใจคอไม่ค่อยดีรู้สึกไม่เป็นมงคล น, นักกับการใส่ชุดดำมาในงานศพ ข, ของใครก็ไม่รู้หันไปทางไหนก็ไม่เจอคนรู้จักสักราย้ครจะมาหลอกกินข้าวต้มหลังเสร็จพิธีสวดฉนั้น จองเลิกชวนหล่อนไปนั่งหลังสุดแล้วกระซิบว่าผมขอตัวไปคุยกับคนข้างๆนี่แป๊บหนึ่งนะนันทกาพยักหน้าไม่ต้องนั่งคนเดียวก็โล่งขึ้นบ้างเพราะการที่ลูกชายตัวดีมีใครให้คุยก็แปลว่าการมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดจนเกินไปเด็กหนุ่มเลือกชายร่างสันทัดคนหนึ่งที่นั่งอยู่คนเดียวห่างไปสองสามเก้าอี้เขายกมือไหว้ชายคนนั้นนั่งแมะลงข้างๆ แล้วทักเสียงสุภาพสวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนร่วมงานกับอาครองสิทธิ์ใช่ไหมการคะเนนั้นมาจากบุคลิกที่ซึ่งเหมาะจะเป็นพนักงานบริษัทอินโ m มา t เตอร์ใช่เสียงแหบตอบมาสั้นๆไม่รู้สึกแปลกใจเพราะนึกว่าจองเริกเป็นญาติของครองสิทธิ์พี่อยู่ในวันเกิดเหตุหรือเปล่าก็อยู่วันนั้นธุระด่วนยุ่งกันนัวตอบแบบชินชินเนื่อย เยี่ยงผู้ที่เคยถูกพนัก ง, งานสอบสวนซักมาแล้วผมเพิ่งมาวันนี้และไม่อยากถามคำถามซึ่งมีอาครองสิทธ์คงตอบซ้ำซากหลายหนแล้วอยากให้พี่ช่วยบอกสักนิดได้ไหมครับว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจของอาครองสิทธ์ตำรวจสันนิษฐานบ้างไหมว่าเป็นฆาตกรรมหัวหน้าโดดลงมาเองตรงๆเลยคนเห็นกับตากันเยอะแล้วเขาก็ชนสูตรศพกันไปแล้วไม่ใช่ฆาตกรรมหรอกอ้อ อาครองเป็นหัวหน้าพี่หรืออืมอาครองคงเป็นหัวหน้าที่ดีใช่ไหมครับลูกน้องคนตายทำปากเบกนิดๆ ด, ด้วยอารมณ์ขุ่นมัวตกค้างไม่ใช่ด้วยเจตนาทำร้ายจิตใจ ญ, ญาติก็อโอเคเห็นได้ชัดว่าตอบแบบถนอมน้ําใจแล้วเพราะท่าทางความรู้สึกข้างในน่าจะเป็นลบมากกว่านั้นแย่และจองเลิกก็พอจะเดาทางถูกอาครองไปกระทันหันแบบนี้ คงทิ้งภาระหนักไว้ให้พี่พอดูโคตรโคตรเลยละชายหนุ่มรีตาขมวดคิ้วตอบแบบแสดงท่าสาหัสจองเริกเห็นเขาว่าถ้ากระทุ้งดีๆฝ่ายนั้นคงยอมเล่าแบบปากไม่มีหูรูดระดับหัวหน้ า, าแผนกของบริษัทศูนย์ข้อมูลน่าจะมีความรับผิดชอบสูงอาครองไม่ได้สะสางอะไรไว้เสียก่อนเลยหรือครับ คำถามที่คล้ายเปิดช่องรับการระบายความในใจนั้นทำให้หนุ่มศูนย์ข้อมูลเปิดปากแบบไม่ยัง้งชนิดลืมตัวว่าลงศพอยู่ตรงหน้าสะสารกับผีอะไรละ่ะละเลงขี้ไว้ให้เช็ดกันไม่ทันนะสิไม่รู้แกทำยังไงของแกข้อมูลลูกค้าตลอดทั้งวันเสาร์ที่ผ่านเครื่องแกถึงหายเรียบอัปเดตข้อมูลลงเซิร์ฟเวอร์มีแต่ไฟล์เก่ายุคหินทั้งนั้น พอลูกค้าจะใช้ด่วนในวันอาทิตย์แล้วไม่มีให้ก็จบเหตเลยลูกค้าศูญสัญญามูลค่าเกือบร้อยล้านมั้งบริษัทจะโดนฟ้องอยู่เนี่ยต้องวินาศสันตโรกันอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเผลอๆถ้าชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้ก็อาจต้องปิดบริษัทเพราะชื่อเสียงและความรับผิดชอบตามกฎหมายของเราผูกอยู่กับงานพันนี้โดยตรงเจ๊งจังจ ง, งานเดียว อาจหมายถึงต้องชดใช้ด้วยทั้งหมดที่เรามีที่หัวหน้าคิดสั้นคงเป็นเพราะอยู่ในช่วงทะเลาะกับแฟนด้วยเห็นว่าแฟนหอบลูกหนีไปนอนนอกบ้านน่ะรู้สึกกำลัง ม, มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองกันอยู่พอเครียดซ้อนเครียดเลยวูบด่วนตัดสินใจอย่างนั้นไปยังไงพี่ก็เสียใจด้วยนะครับพี่ขอบคุณเออ พี่พอทราบไม่ว่าครอบครัวอาครองติดหนี้หรือมีปัญหาเรื่องเงินอยู่เท่าไหร่คุณแม่ผมอาจยื่นมือเข้ามาช่วยได้เขาพยายามเรียบเคียงเพราะขาดเกินกว่าจะเผชิญหน้ากับคนข้างหลังของผู้ตายอุ้ยพี่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะไม่สนิทกับหัวหน้าขนาดนั้นนี่เห็นแค่บนบนว่าแม่ของแฟนป่วยหนักเจอค่ารักษาพยาบาลอ่านน้องไปถามกับแฟนหัวหน้าสิถ้าอยากรู้ จองเริกพยักหน้าอย่างพอประติดประต่อเรื่องราวได้แม่ยายป่วยหนักใช้เงินมากจนมีปากเสียงกันแบบผู้ผัวเมียเมียจนเมียหนีไปนอนค้างโรงพยาบาลไม่ยอมกลับบ้านกำลังเครียดจัดอยู่แล้วเป็นทุนพอเจอของแถมเป็นการก่อความเสียหายให้บริษัทปนปี้โดยรู้เท่าไม่ถึงการเห็นอนาคตว่ากำลังจะต้องโดนไล่ออกอยู่รอมรอก็เป็นธรรมดาที่ใครคนหนึ่ง จะเสียสติคิดสั้นชั่ววูบขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยืนอยู่นะระดับความสูงที่แรงดึงดูดโลกอาสาเป็นเครื่องมือประหารให้ได้ง่ายๆเช่นนั้นลูกอาครองอายุเท่าไหร่พี่ทราบไหมครับเพิ่งสองสามขวบเองมั้งคงยังไม่ทันจำหน้าพ่อได้ชัดๆหรอกเอ๊ะนี่แสดงว่าน้องไม่ได้ติดต่อกับหัวหน้านา น, านแล้วสิถึงไม่รู้อะไรเลยชายหนุ่มชักเริ่มตั้งข้อสังเกต เพราะจองเลิกท่าทางเศร้าซึมจัดกับการจากไปของครองสิทธ์แต่กลับไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเกี่ยวกับครองสิทธ์สักอย่างมาถามเอาจากเขาหมดครับพี่ผมแย่จริงๆไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอาครองเอาเสียเลยเดี๋ยวคงต้องติดต่อแฟนอาครองเพื่อให้คุณแม่ช่วยเหลือเสียหน่อยขอบคุณมากนะครับได้ได้ไม่เป็นไรกลับมานั่งกับแม่เอาแต่นิ่งไม่พูดไม่จาแม่เจอคาถามหลายคา พอได้เวลาพิธีสวดก็นั่งตาลอยพนมมือมือมองลงศพเบื้องหน้าคล้ายกลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปเสียเองแทนที่กลิ่นธูปเทียนและเสียงพระจะทำให้รู้สึกสงบและสลดปลงกับความไม่เที่ยงของสังขารบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดกลับตอกย้ำให้รู้สึกผิดจนสมองมึนชาเขามีปัญญารับผิดชอบอะไรกับการจากไปไม่มีวันหวนกลับของคนคนหนึ่ง ความอุดอู้หดหูและคิดโทษตัวเองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรู้สึกผิดแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งชีวิตเข้ากลายเป็นมีดเล่มสุดท้ายที่มีส่วนเข้าปริกชีวิตคนโดยไม่รู้ตัวขณะเดียวกันก็บังเกิดความกลัวบาปโกรักรรมเท่าที่จับความจากหมออุปการะการแกล้งคนแบบไม่เลือกหน้าจะทําให้ต้องซวยแบบไม่เลือกเหตุการณ์ไปเรื่อยๆ คล้ายเข้ามาอยู่บนเส้นทางแห่งความซวยเต็มตัวทุกสิ่งและทุกคนในโลกอาจเป็นเครื่องมือให้กับกฎแห่งกรรมกลั่นแกล้งเขาได้หมดเขาใช้ความฉลาดไปในการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและสร้างความหายนะให้กับตนเองโดยแท้นาทีหนึ่งจองเลิกมองกรอบรูปถทยหน้าตรงบนขาตั้งกลางพวงรีดน้อยใหญ่ครองสิทธิ์เป็นชายที่ดูเคร่งเคร่งเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังจนเดาไว้ไม่ถูกว่า เป็นสามสิบเศษหรือจวนห้าสิบกันแน่ทราบแต่ว่าเขายังไม่น่าจะได้เวลาจากลาโลกนี้ไปบัดนี้หมดลมมานอนทอดร่างอยู่ในหีบไทยราคาถูกเสร็จแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงก็แปลว่าความตายไม่มีและชายคนนี้ก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เป็นการเลือกเกิดใหม่ในสภาพที่แยก่กว่าเดิมนั่นแหละความหายณะที่แท้จริง ชนิดไม่อาจแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นได้เทียบกันแล้วความหายนะของเขายังดีตรงที่เป็นความหายานะของคนมีชีวิตยังมีสิทธิ์เปลี่ยนล้มให้กลายเป็นลุกและอาจแปรทุกข์ให้กลายเป็นสุขมนุษย์กว่าครึ่งโลกต้องประสบกับความวิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นานปีกว่าจะรู้ซึงว่าชีวิตไม่ใช่ของเล่นสาหรับเขานับว่ามีวาสนาขนาดไหนแล้ว ที่พบกับผู้พลิกความคิดได้เสีตั้งแต่ต้นวัยยังไม่ทันก่อบาปก่อกรรมจนอย่างราแก้วยึดเข้าไว้กับอกุศลแน่นหนาเกินถอนนั่งนิ่งตาวาวต่อไปนี้เขาจะศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อแก้ความวิบัติให้กับตนเองและผู้อื่นจนกว่าจะหาไม่